ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการพูด หรือสมมนขอแล้วคุณก็ได้ไม่ใช่งั้นแต่ว่าเป็นการทําน่ะเป็นการปฏิบัติเป็นการ เอายังไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัตินะคือแต่ด้วยสักว่ากิริยาด้วยการทําอย่างนี้นะอาจจะไม่ใช่เค้าอาจจะ แล้วคุณจะถือว่าคุณกําลังเดินอยู่บนทางไม่ใช่แค่นั้นนะแต่จิตใจของเรา หลายๆหลายๆครั้งหลายๆโอกาสในช่วงสมัยพุทธกาลก็มีนะพระที่มีท่าทางอาจ ยาบาลิฉันก็คิดว่าฉันจะทําใจของเขาอาจารย์อนุจันได้ไม่ใช่งั้นนะ ในยุในเสนาสนะอันสงัดอ่านธรรมะฟังธรรมะมีการพูดคุยธรรมะอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วย ด้วยกิริยาอาการอย่างนี้จิตฉันเป็นยังไงนะหรือว่าฉันไม่ นะท่านตอบได้อันนั้นเรียกว่ารู้ทั่วถึงอยู่คุณคุณจําได้นี่ใช่มั้ยนี้เราต้องทําให้คุณรู้ทั่วถึง แล้วในการสอนการปฏิบัติตรงนี้ในการสอนการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเอ่อพระพุทธเจ้าก็ได้เน้นย้ําอีกข้อ 3 นะไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างสุด 2 ข้างไม่ 3 เลยนั้นคือ 2 ข้างที่ พี่ป่ากว้างณป่าสวนกว้าง 2 ข้างเช่นว่าเอาการ 2 ทางนี้ 3 ทาง นะ 3 นี้ก็คือ 8 นั่นเองนะเป็น 8 นั้นก็ 2 ข้างสุดตรงนั้นเราทิ้งไปเลยนะเหมือน เห็นกายด้วยความเป็นไม่ใช่ตัวตนเห็นกายด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยชื่อว่าที่ผู้ที่ ไอ้รถในระหว่างทางที่คุณปฏิบัติหอติลังกาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหมุนติ้วอะไร Roller Coaster นะขึ้นๆ ว่าเหมือนไหลทะเลนั้นคือมีการศึกษาตามลําดับการปฏิบัติตามลําดับมี ความปกติ 5 อย่างที่พระ 5 อย่างนี้นี้ไอ้ความปกติ 5 อย่างนี้ 4 ข้อเงี้ยนะข้อดื่มสุราอะไรยังอยอยอย 4 ข้อนั้นนะอย่าไป 4 ข้อนะ นะอย่าให้มีความคิดน้อยเนื้อต่ําใจนะเพราะว่าอันที่ 2 ที่เราทําได้มันก็ได้นะที่เรา มีสมาธิณทําใจให้นิ่งๆเอาไม่ต้องว่าเป็นสมาธิไม่สนใจอะไรไม่ใช่งั้นแต่ทําใจออกฝนตกน้ําท่วมอีอะไรเอลุงตรงนั้นเนี่ยทํา นะเราจะน้ําไปในลักษณะว่าโอ้ยต้องแบบเปรียบเป็นรูปแบบ นะ, นะ, ใช นะ, practice ใช่มั้ย มาเป็นแพราคทิเชเนอร์ในทางคำสั่งของพระเจ้านะเป็นแพราคทิเชเนอร์ในเป็นผู้ที่เอาคำสั่งของพระเจ้ามาปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะอย่าง <_ d ota> เราจะลูกเจอผัวเจอเจี๊ยบเจอเมียเจอๆแค่แค่เนี้ยคุณเรียกเป็นแพราคทิชันเนอร์ล่ะเป็นผู้ปฏิบัติในทาง นะจีๆปุ้งๆขึ้นมาเริ่มปี้ดเริ่มปี้ดนี่เราอดทนไว้อดทนไว้นะสละๆไม่สน ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าแค่เรามี จิตวจิตรนั้นมีการปฏิบัติธรรมละจิตวจิตรนั้นอยู่ในธรรมละ 3 วัน 7 วันก็มี นะอาหารมายังไงก็คนที่บินทบาทเค้าก็เอา นะสเตนะสนะแบบนี้เราควรจะเข้าอยู่อาศัยบ้างไหนเป็นผู้ที่ยินดี กชิวาเรียนบ้างเราก็เข้าอาศัยอยู่นะแล้วก็ก็ทําฟังเอ่อเป็นผู้แล้วนะฮะเวลามัน คุณอยู่ในทางสายกลางได้คุณอยู่ในทางสายกลางได้ทั้งที่บ้านที่โรงเรียนที่แล้วทําไปทําไปเดินตามทางด้านฝั่งนักเรา เดี๋ยวนี้ครับก็ขอลาไปก่อนพระไพบูลย์